4ีสบีสภาวะธรรมตอนเกิดมรรคผลวงเล็บเปิด 1. 13กุมภาพันสองพในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดพวกเรามีสติมีปัญญาเรามาเรียนธรรมะเพื่อการปฏิบัติจริงๆเราจะพ้นทุกข์เมื่อวันก่อนแม่ชีเล่าให้ฟังมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งภาวนาเด็กคนนี้มีความทุกข์มากแกนั่งเรือบินในประเทศเวียดนามระบบปรับความดันมันไม่ดีแกปวดหู แกปวดแล้วแกเห็นใจกังวลเพราะเห็นใจกังวลนะจิตรวมเลยจิตรวมโดยไม่ได้เจตนาจะให้มันรวมร่างกายหายไปเรือบินหายไปหายไปหมดเลยเหลือจิตอันเดียวเสร็จแล้วแกเห็นจิตนั้นมันถูกย่างเหนียวอันหนึ่งห่อหุ้มเอาไว้ถูกอาสวะกิเลสห่อหุ้มพอเห็นตรงนี้ปุ๊บจิตมันดิ้นเลยจิตมันดิ้นไปทางซ้ายทีหนึง่งหาทางจะหลุดออกจากสิ่งห่อหุ้มไม่หลุดนะดิ้นไปทางขวาทีหนึง่งก็ไม่หลุด พอขยับครั้งที่สามจิตเลยถอนออกมาเสียก่อนนี่เสียดายอินซียังไม่แก่กล้าพอถ้าแก่กล้าพอก็จะได้พระอีกองค์หนึ่งบอกเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันอยู่อย่างนี้แหละถึงคราวที่มันจะมีธรรมะจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิเองเข้าถึงขนาดโลก่านหายไปได้เรือบินหายหมดเลยตัวเองก็หายไปร่างกายหายไปเหลือแต่จิตอันเดียวเลย นี่เข้าถึงอัปปนาสมาธิที่ละเอียดเข้าถึงอรูปเลยเสร็จแล้วจิตมันเห็นสภาวะธรรมเกิดดับแต่ว่ามันยังไม่เป็นกลางเห็นแล้วไม่ชอบจิตยังไม่เป็นกลางจิตเลยไม่เกิดมรรคเกิดผลฉะนั้นความเป็นกลางน่ะสำคัญแต่ความเป็นกลางต้องเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่เป็นกลางเพราะบังคับบางคนจะไปเป็นกลางด้วยการบังคับเพ่งๆเอาไว้อย่างนี้ไม่เกิดมรรคผลต้องเป็นกลางด้วยสติด้วยปัญญา จิตมันเห็นความจริงว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้ไม่ว่าความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเกิดนะจิตไม่ดิ้นเลยจิตเป็นกลางถ้ารู้ด้วยความเป็นกลางสองขณะสามขณะเท่านั้นจะขาดแล้วอริยมรรคมันจะแหวกสังโยชน์แหวกกิเลสแหวกอาสวะที่ห่อหุ้มจิตอยู่ให้ขาดสะบั้นออกไปแต่ขาดชั่วคราวนะสองสามแวบแล้วก็กลับมาปิดใหม่อาสวะกิเลสนี่มันเหนียวแน่นที่สุดเลย เกิดอริยมรรคครั้งแรกมันคล้ายมันเป็นหมอกเป็นควันอะไรอย่างนี้มันแหวกออกไปแป๊บเดียวก็กลับเข้ามาปิดใหม่หรือเหมือนครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านบอกเหมือนทุ่มหินลงไปในบ่อน้ำซึ่งมีแหนเล็กๆ เ, เ, เขียวๆอยู่ทุ่มตูมลงไปมันแหวกออกไปแป๊บเดียวมันก็เข้ามาปิดอีกนี่ครั้งที่1ครั้งที่สองครั้งที่สมยังปิดอีกถึงครั้งที่สี่นะมันคว่าทาลายลงไปหมดเลย ทำไมต้องสี่ครั้งเพราะเป็นกฎของธรรมะที่ต้องสี่ครั้งเรียกว่าธรรมนิยามเป็นกฎของธรรมะต้องเป็นอย่างนี้แหละทีนี้ถ้าเราฝึกเจริญสติมากเข้ามากเข้าจนมันอัตโนมัติไม่ได้มีความจงใจกิเลสใดๆเกิดขึ้นมีสติรู้ทันกุศลอกุศลใดๆเกิดขึ้นมีสติรู้ทันความสุขความทุกข์ความเฉยๆใดๆเกิดขึ้นมีสติรู้ทันไปเรื่อย เห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปถึงวันหนึ่งใจเป็นกลางมันรู้นี่ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความเฉยๆก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวฟุ้งซ่านหดหูสงสัยก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวหมดเลยนี่เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกจนจิตมันรู้ความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราว พอจิตเห็นตรงนี้นะจิตเป็นกลางแล้วเป็นกลางด้วยปัญญาถ้าภาวนาไปจนพอนะถึงจุดที่มันพอเนี่ยเท่าที่สังเกตจะมีผัสสะขึ้นมาก่อนมีสิ่งที่มากระทบที่ทำให้เห็นเซลฟ์ในวงเล็บตัวตนของตัวเองได้เช่นเกิดความรักตัวเองขึ้นมาสังเกตหลายรายรู้ด้วยความรักตัวเองขึ้นมาก่อนเคยมีคนหนึ่งเปียกฝนแล้วจิตกังวลว่าถูกฝนอย่างนี้คงจะเป็นหวัด แล้วก็ไปเห็นจิตที่กังวลโดยไม่ได้เจตานาจะเห็นแล้วดูลงไปมันก็ขาดทําไมตัวพวกนี้ดูง่ายมันเป็นตระกูลโทสะมันของดูง่ายทลุพระโมหะอะไรนี่ดูลําบากโทสะดูง่ายฉะนั้นหลายคนมาเล่าๆจะเห็นตัวโทสะบางคนนั่งนานแล้วปวดขามากเลยใจมันทุรนทุรายขึ้นมาเป็นอารมณ์ที่รุนแรงประเภทนั่งๆนอนๆกลิ้งไปกลิ้งมาบรรลุมีเหมือนกันแต่มีน้อย อารมณ์ที่มากระทบแรกๆก็เป็นอารมณ์ที่ดุเดือดหน่อยเห็นชัดเห็นในความรักตัวเองหวงแหนตัวเองชัดถ้าเราภาวนามากเข้ามากเข้าสติมันอัตโนมัติเลยแล้วจิตมันเป็นกลางขึ้นมารู้ทุกสิ่งด้วยจิตที่เป็นกลางรู้แล้วไม่ทําอะไรต่อรู้แล้วจบลงที่รู้นี่คีย์เวิร์ดในวงเล็บคําสําคัญเหล่านี้มันเกิดต่อเมื่อได้สังขารุปเปกขายานแล้วคือมีปัญญาเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งมวลแล้ว ถ้าไม่เป็นกลางก็ยังดิ้นอยู่ถ้าเป็นกลางไม่ดิน้นไม่ดิ้นก็ไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งจิตก็พ้นจากการปรุงแต่งไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือเห็นนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานิพพานไม่เคยหายไปไหนเลยพูดทุกวันจนจะกลายเป็นคีย์เวิร์ดในวงเล็บคำสำคัญแล้วได้ยินเสียงหลวงพ่อก็นึกออกเลยว่านิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานิพพานไม่เคยหายไปไหนเลยรู้สึกตัวไวสิรู้สึกเอาไว พูดทุกวันซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ใช่เรื่องเล่น